หนึ่งตาสองตาและสามตากาละครั้งหนึ่งในดินแดนอันห่างไกลมีหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวสามคนลูกสาวทั้งสองคนหนึ่งตาและสามตาเป็นลูกคนโปรดของเธอเธอรักพวกนางมากและมอบทุกอย่างที่พวกนางต้องการได้เสมอส่วนลูกสาวอีกคนจะอย่างไรก็ตามเธอมีเพียงสองตาเมื่อเธอดูเหมือนคนปกติทั่วไปทั้งพี่สาวและแม่ของเธอ ต่างดูถูกและมองเหยียดเธอเธอได้รับเกียงเสื้อผ้าเก่าๆของพวกนางเพื่อสวมใส่และได้กินอาหารที่เป็นของเหลือจากพวกนางเท่านั้นพวกนางทําทุกทุกหนทางเพื่อทําให้เธอไม่มีความสุขแต่ถึงแม้จะมีปัญหาทั้งหมดที่พวกเขามอบให้แต่เธอก็ยังคงเป็นหญิงสาวที่มีเมตตาและใจดีต่อทุกสิ่งที่เธอพบเห็นสวัสดีจานกน้อยเจ้าหิวไหมข้าขอโทษด้วยนะที่มันไม่มากพอ ่ว่าเจ้ากินมันได้นะวันหนึ่งขณะที่พี่สาวและแม่ของเธอทานอาหารกลางวันเสร็จสองตาเดินไปที่โต๊ะอาหารเพื่อทานข้าวถ้าว่าไมตาเดียว2ตาแตกต่างจากพวกเรานางสมควรนั่งโต๊ะของพวกเราอย่างนั้นเหรอแค่พูดถูกสองตาเธอไม่เหมาะกับพวกเราไปกไกลๆเลยนะแล้วก็อย่ามาใกล้ด้วย สองตาที่น่าสงสารเจ็บปวดกับคำพูดของพวกนางเธอวิ่งร้องไห้ออกไปขณะที่เธอร้องไห้ทันใดนั้นแสงสว่างก็เกิดขึ้นนางฟ้าชาราปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เธอสวมชุดคลุมที่เป็นประกายในแสงอาทิตย์และถือไม้เท้าส่องสว่างที่ทำจากอัญมณีลำคา่าสองตาประหลาดใจอย่างยิ่งทำไมเจ้าถึงร้องไห้ล่ะที่รับสองตาตัวน้อย โอ้นางฟ้าใจดีแม่และพี่สาวของค่าเกลียดข้าที่มีแค่สองเตอพวกนางให้เพียงของเหลือให้ข้าทานและรังแกข้าอย่างร้ายกาจอย่าร้องไห้ไปเลยที่รักและข้าจะบอกอะไรดีๆให้เห็นกิ่งไม้ที่เจ้าถือไว้ไหมทุกๆครั้งที่เจ้าหิวรร้เวทมนต์นี้นะไม้กายสิทธิ์เ อ, อ๋ยเต้นตามจังหวะของฉัน พรุม่มโตไปด้วยของกินกิ่งไม้เริ่มส่องแสงออกมามันลอยออกจากมือของสองตาและเปลี่ยนตัวเองเป็นโต๊ะเล็กๆที่น่ารักกับอาหารแสนอร่อยที่สองตาไม่เคยพบเห็นมาก่อนโอ้ช่างพิเศษมากกลิ่น ม, มันยอดเยี่ยมมากเลยตอนนี้เธอจะไม่หิวอีกต่อไปทานและดื่มได้มากเท่าที่ต้องการ และเมื่ออิ่มแล้วแค่พูดคำว่าไม้กายสิทธิ์เอ๋ยตอบรับการภาวนาของข้าและนำโตออกไปแล้วมันก็จะหายไปเม Φ ื่อพูดจบด้วยพลังเวทของไม้เทา้านางฟ้าชาราก็หายตัวไปสองตาประหลาดใจอย่างมากเมื่อเห็นดังนั้นแต่หลังจากไม่ได้ทานอะไรมานานนานดังนั้นเธอจึงทานทุกอย่างที่อยู่บนโตอาหารนี้ทั้งอร่อยมาก ฉันมีความสุขจังเลยแต่ตอนนี้ฉันต้องซ่อนมันให้หมดก่อนไม้กายสิทธิ์เอย๋ยตอบรับการภาวนาของข้าและนำโต๊ะออกไปและมันน่าเหลือเชื่อโต๊ะลายทุกอย่างบนนั้นเปลี่ยนกลับไปเป็นไม้เท่าอีกครั้งในตอนเย็นเมื่อเธอกลับมามีเสร็จอาหารเหลือวางบนโต๊ะเพื่อเธอ แต่เธอไม่ได้แต่ต้องมันและเดินผ่านไปอย่างมีความสุขหลังจากนั้นสองตาจะออกจากบ้านทุกวันเพื่อไปกินและเดิมดำอย่างสำราญและกลับบ้านอย่างมีความสุขแต่วันหนึ่ง1นึงตาและสามตาสังเกตเห็นว่าน้องสาวของพวกนางไม่ได้กินอะไรที่เหลือไว้ให้ต้องมีอะไรผิดปกติแนะ่สองตานางไม่กินอาหารที่พวกเราเหลือทิ้งไว้ให้อีกแล้ว นางอาจเจอวิธีอื่นในการหาอาหารเราต้องไปตามหาความจริงให้ได้ดังนั้นวันต่อมาเมื่อสองตาออกไปทุ่งนาอย่างมีความสุขพี่สาวทั้งสองของเธอก็แอบตามออกมาเธอมองให้แน่ใจว่าไม่มีใครตามมาแต่พี่สาวของเธอก็ซ่อนตัวเป็นอย่างดีเมื่อสองตาถึงที่นั่นเธอร่ายเวทออกมาไม้กายสิทธิ์เอ๋ย ตามจังหวะของฉันกลุมโต๊ะไปด้วยของกินและทันใดนั้นโต๊ะมารรย์ที่เต็มไปด้วยอาหารแสนอร่อยอก็ปรากฏตัวออกมาสองพี่น้องเฝ้าดูอย่างลับๆและดวงตาของพวกนางก็เบิกกว้างเมื่อเห็นทุกอย่างนี่คือวิธีที่นางมีของกินทุกวันไม่แปลกใจเลยว่านางไม่หิวอีกต่อไปเดวเข้ารีบกลับบ้านและไปบอกทุกอย่างให้แม่ฟัง พวกนางรีบวิ่งกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดและเมื่อแม่ของพวกนางได้ยินทุกอย่างที่สองตาทำเธอก็โกรธเป็นอย่างมากนางกลอดดียังไงกินอาหารที่ดีกว่าเรารอนางกลับมาบ้านและพวกเราจะหักไม้กยสิทธิ์ทิ้งซะดังนั้นพวกนางจึงรอให้สองตากลับมาที่บ้านและเมื่อเธอกลับมา แม่ของเธอก็แย่งกิ่งไม้จากมือของสองตาและหักมันเป็นชิ้นๆไม่นะอ้าวทำไมแม่ทําอย่างนั้นล่ะนี่คือบทเรียนของแกที่เอาเปรียบพี่ๆของแกและฉันอีกครั้งตอนนี้แกจะต้องอหวิวโหยและมันสมควรแล้วสองตาตัวน้อยที่น่าสงสารใจสลาย <c oughs> เธอหยิบชิ้นส่วนของกิ่งไม้และวิ่งออกไป <c oughs> เธอมาที่สวนและร้องไห้ยังข่มขืน ทันใดนั้นนางฟ้าชราได้ปรากฏกายต่อหน้าเธออีกครั้งสองตาที่รักเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอถึงได้ร้องไห้ล่ะที่รักอ้านางฟ้าใจดีไม้กายะสิทธิที่ท่านมอบให้ข้าและโตที่สวยงามพวกนั้นแม่ของข้าหักมันออกเป็นชิ้นๆตอนนี้เ้าต้องกลับมาหิวหอยอีกครั้งหนึ่งอืมสองตา ข้าจะมอบคำแนะนำที่ดีให้นำชิ้นส่วนของกิ่งไม้ฝั่งไม้ในสวนทันทีที่พระจันทร์ส่องสว่างที่สุดนั่นแน่นอนว่าจะนำความโชคดีมาให้เจ้านางฟ้าชราโบกไม้เท้าของเธออีกครั้งและเมื่อเกิดแสงสว่างเธอก็หายตัวไปท่ามกลางความมืดมิดสองตาเชื่อคาพูดของนางฟ้าและทาตามที่เธอบอกเช้า ว, วันรุ่งขึ้นภายในสวน มีต้นไม้ที่มหัศจรรย์ที่สุดเกิดขึ้นใบทั้งหมดของมันเป็นสีเงินและมีผลไม้สีทองส่องสว่างในแสงแดดแม่และลูกสาวสองคนของนางมองไปที่มันอย่างประหลาดใจพวกนางไม่เคยเห็นสิ่งที่งดงามขนาดนี้มาก่อนต้นไม้นั้นชัดสวยงามแต่มันมาจากที่ไหนและคุณแม่ฉันก็ไม่รู้มันประหลาดมากๆ แต่ว่าพวกเราไปเก็บผลไม้กันดีกว่ามีเพียงสองตาที่รู้ว่ามันงอกออกมาจากชิ้นส่วนของไม้เกษตริด<ม>หนึงตาสามตาและแม่ของพวกนางวิ่งออกไปและกระโดดขึ้นสูงเพื่อเก็บผลไม้ท่องคำแต่ทุทกๆครั้งที่พวกนางกำลังจะถึงต้นไม้ก็ยืดกิ่งออกไปไกลอ๋ทำาไ้พวกเราแพ้ให้ต้นไม้ต้นเดียวฉันจะไปพักสักหน่อยฉันเหนื่อยมากเลย สองตามองไปที่พวกนางและเธอก็มองไปที่ต้นไม้ขอฉันลองด้วยบางทีฉันอาจเก็บผลไม้ได้ก็ได้นะฮะลองไปเถอะถ้าพวกฉันทำไม่ได้อยากเธอก็อย่าหวังเลยสองตายื่นมือไปที่กิ่งไม้สีเงินต้นไม้ไม่ได้ยืดกิ่งนี้เธอแต่มันกลับโน้มงลงมาใกล้เธอมากขึ้นเพื่อที่สองตาจะเก็บผลไม้ได้มากตามที่เธอจะพอใจ เธอพยายามจะมอบพวกมันให้เก็บแม่ของเธอหวังว่าพวกนางจะมีความสุขแต่เมื่อเห็นว่ามีเพียงเธอที่สามารถเก็บผลไม้จากต้นไม้นี้ได้พวกนางมีเพียงความอิจฉาริษยาเท่านั้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่พวกนางยืนพร้อมกันใต้ต้นไม้อาสวินหนุ่มคนหนึ่งได้ขี่ม้าผ่านมาแม่หันมองไปที่สองตาไปเดี๋ยวดีสองตาไปซ่อนที่พุ่มไม้พวกเราไม่อยากเห็นแก่ทําเราขายขีนนะ้หน้า สองตาที่น่าสงสารรีบไปซ่อนตัวหลังพวกไม้อัศวินหนุ่มเป็นชายหนุ่มที่รูปงามมากเขาหยุดมาและเห็นต้นไม้มหาจ ร, รย์สีเงินและสีทองเขาสงสัยว่ามันเป็นของใครและมองเห็นสองพี่น้องนั่นที่ใต้ต้นไม้ต้นไม้ที่งดงามนี้เป็นของใครกันใครที่มอบกิ่งก้านของมันแก่ผมได้จะได้ทุกอย่างที่นางขอเลยต้นไม้นี้เป็นของพวกเรา และแน่นอนเราจะแบ่งกิ่งไม้ให้กับคุณพวกนางกระโดดและพยายามอย่างหนักเพื่อจะหักกิ่งไม้แต่เปล่าประโยชน์กิ่งก้านและผละไม้ยืดห่างออกไปจากมือของพวกนางและไม่ยอมให้แตะต้องแม้แต่น้อยมันแปลกมากที่ต้นไม้เป็นของพวกคุณและพวกคุณยังห่างอะไรไม่ได้ผมไปดีกว่าแทนที่จะเสียเวลาแบบนี้และเมื่อเขาจากไป สองพี่น้องและแม่ของพวกนางก็รําคาญมากไม่ต้องห่วงนะลูกรักบางทีเขาอาจจะกลับมาในวันพรุ่งนี้พวกเราต้องพยายามให้มากขึ้นเมื่อพวกนางไปสองตาก็ออกมาจากหลังพุ่มไม้และนางใต้ต้นไม้เธอเริ่มคิดถึงอัศวินอย่างลึกซึ้งเขาหล่อมากเลยถ้าฉันมอบกิ่งไม้จากต้นไม้เขาได้ฉันจะบอกเขาว่าฉันน่ะ และคขามากแค่ไหนไม่นานหลังจากเธอพูดเช่นนั้นเธอก็ได้ยินเสียงของนางฟ้าชราจากต้นไม้สองตาตัวน้อยเจ้าช่างมีจิตใจเมตตาแม้กำลังจะเศร้าอยู่และจิตใจที่ดีงามสมควรได้รับรางวัลฉันได้ยินคาขอของเธอและท่านนั้นเป็นสิ่งที่เธอต้องการจริงๆฉันจะมอบมันให้กับเธอโอ้ใช่แล้ว ฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าการได้อยู่กับอัศวินที่รักของฉันฉันปรารถนาสิ่งนี้ด้วยหัวใจฉันทั้งหมดดีมากเงินทำตามที่ฉันบอกเด็ดใบไม้หนึ่งใบจากต้นไม้และนาไปสวมเป็นชุดของเธอและเมื่อเธอทำดังนั้นชุดขัดขา ด, ดของเธอก็กลายเป็นชุดที่สวยงามที่สุดเกินจินตนาการมันมีสีเงินและสีกุหลาบทับทิมเต็มไปหมดตอนนี้นั่งในใบไม้สีเงินนี้ และมันจะพาเจ้าลอยไปในท้องฟ้าเพื่อหาคนที่เจ้ารักเมื่อเสียงพูดหยุดลงใบ ไ, ไม้ใบหนึ่งก็ลวงลงมาหาสองตาช้าๆมันมีขนาดใหญ่และเป็นประกายงดงามใต้แสงจันทร์สองตานั่งลงบนใบไม้และมันแล่นพาเธอขึ้นไปยังท้องฟ้ายามค่ําคืนผ่านดวงจันทร์ดวงดาวและขึ้นไปที่ระเบียงของอัศวินขณะที่เธอออกจากใบไม้มัน เปลี่ยนเป็นกิ่งไม้สีเงินกับผลไม้สีทองที่ห้อยอยู่โอ้อสุวินรูปหล่อที่รักได้โปรดได้ยินเสียงเรียกของฉันฉันนํากิ่งไม้สิ่งเงินที่คุณปรารถนามามอบให้ใครกันมาเรียกผมในเวลานี้แต่เมื่อเขาออกมาและสองตายืนอยู่บนระเบียงเขาอ้าปากค้างตะลึงในความงามที่ไม่เหมือนใครของเธอและเขาก็ล่าสายตาจากเธอไม่ได้ สงตาดีใจมากที่ได้พบกับเขานายท่านคุณสัญญาว่าจะมอบทุกอย่างให้กับคนที่นํากิ่งไม้สิ่งเงินมาให้คุณใช่แล้วและเธอต้องการสิ่งใดล่ะสองตาบอกทุกอย่างเกี่ยวกับแม่พี่สาวทั้งสองของเธอและวิธีที่พวกเขารังแก่เธอให้กับอัศวินได้ฟังฉันทรมานจากการหิวโหยและเศร้าโศกมากฉันมาจากที่นี่เพื่อถามว่า คุณช่วยพาฉันไปเป็นเจ้าสาวของคุณได้ไหมผมมีความสุขมากที่จะได้แต่งงานกับคุณที่รักแต่ก่อนอื่นผมต้องลงโทษแม่และพี่สาวของคุณก่อนที่ทำแบบนั้นกับคุณโอ้ให้ยหาภัยพวกเขาเถอะอัศวินของฉันลืมพวกเขาและอดีตทั้งหมดของฉันเรามาเริ่มต้นวันนี้ไปด้วยกันและทำพรุ่งนี้ให้สวยงามดังนั้นวันต่อมา อสวินและสองตาก็แต่งงานกันในพิธีอันยิ่งใหญ่และพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป